50 languages. 46่สกในดิสโกเทกดิสโกนัลลีที่นั่งนี้ว่างไหมคะอีจากาขาลีเดยดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ นานุนิมมดเนคุลิทุปหละ บ, บหุเดเชิญค่ะคันดีตวากิโคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะนิมเกสังกีต้าเฮเกอในสุตติเดเสียงดังไปนิดค่ะสวลปัาาสคำศัพท์จัตติแต่วงดนตรีเล่นดีมากคะ่ะ อาดเรวัตถยาโกชตีตุมบาชนากิดเดคุณมาที่นี่บ่อยไหมคะนี่บอญลิเกพเดพเดบรุติระไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกคะ่ะอิลลาอีเดอมดลบารีดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยคะ่ะน้านูโมดลูยาววากลูลิลเกบันดีระลิลลา คุณอยากเต้นรำไหมคะนี่วูนรุ่ตยมารุดติระอีกเดียวอาจจะไปคะ่ะบาหุเชฮานันตระดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะนันเกออัชตุเชนนากีนรุ่ตยมารดลูบรูดิลล่ง่ายมากเลยคะ่ะอดูบาฮาดาสุลบหา ดิฉันจะแสดงให้คุณดูนานุนิมเกตตุริศิโกดุเตเนไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะเบดาบะหุเชหามัตตุเมคุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะยาริกาดะรุกายุติรวิระใช่ค่ะรอแฟนอยู่ เฮาดูนั न นส์เนี่ยทันใดก้าวเขามาแล้วค่ะโอ้อัลลีฮินดูกระเดืุติด